เพราะความเจริญในธรรมจงึงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ลมประภติยานกำลังนำเสนอถึงเรื่องทุกขละกริยาที่พระพุทธเจ้าทรงปฏิเสธว่าบรรพชิตไม่ควรเสพเพราะว่าก่อให้เกิดความทุกข์ไม่สามารถทำคนให้เป็นภริยะหรือไม่จะทำของภริยะแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์ ในวันนี้จะยกตัวอย่างตะบะที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญสมัยที่เป็นพระโพธิสัตว์อย่างไม่ได้สัต์รู้ตามที่รับสั่งเล่าแก่พระสารีบุตรปรากฏในมหาสีนาจสูตรมชิมณิกายมุรปันนาตนะก็รับสั่งว่าสารีบุตรบรรดาพระไมจันมีองค์สี่นั้น ว่าต่อไปนี้เป็นพรหมจา ร, รย์ของเราโดยความที่เราเป็นผู้บาเพ็ญตบะเป็นตะบะแบบพวกนิชนพวกอาเจรบนะฮะพวกนี้พวกนักบวชเปลือยก็บอกอะไรล่ะเป็นคนเปลือยไร้มันญาติเรียมือก็ เ, เชิญให้มารับภิกษาก็ไม่มาก็ เ, าเชิญให้หยุดก็ไม่หยุดมายินดีภิกษาที่เขานํามาให้ภิกษาก็คืออาหารนะฮะ หมายความไม่ยินดีต่ออาหารที่เขานามาให้ไม่ยินดีอาหารที่เขาทําเฉพาะาเช่นว่าแกงให้เฉพาะหรือว่าหุงต้มให้เฉพาะซื้อให้เฉพาะอะไรแต่ไรก็ตามไม่เอาก็เราจะเห็นอย่างหนึ่งว่ามันต้องเอาชนะใจตัวเองอย่าต้องข่มใจต้องห้ามใจแต่ที่จริงมันก็ไร้สาระนะมันไปสูญเสียเวลาในเรื่องเหล่านี้อยู่เยอะ มันไม่ได้เกิดไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาเพราะถ้าเรามองสังเกตว่าพฤติกรรมในแนวเนี้ยมันกลายเป็นอ๋อเป็ น, เ ป, นเป็นเขาเรียกว่าอภิชาทโทมนันะ์อ่ะคือยินดียินได้อะไรก็ตามที่ตนไม่ต้องการแต่คนอื่นเขาพยายามให้ตัวเองก็จะเกิดโทษสั่งทีนี้บางอย่างที่เขาต้องการแต่เราก็ไม่ได้เราก็เกิดโลภะก็ยังนึกไม่ออกเหมือนกันนะว่ากิเลสมันจะสงบได้ยังไง ก็บอกว่าไม่ยินดีอาหารที่เขานิมนต์ไม่รับอาหารไปรับอาหารปากหม้อไม่รับอาหารจากหม้อข้าวไม่รับอาหารที่บุคคลยืนคร่อมธรณีประตูให้หลายเรื่องนะฮะคือคื อ, คอมันมันไปวุ่นวายกับเรื่องคนอื่นเขาที่ก็ยืนยังไงก็ช่างเขาก็เป็นกุศลเจตนาของเขา แต่ว่าถือเราจะเห็นว่ามันมีลักษณะเข้ามารน่าอยู่ระวางเราสังเกตนะครมันมีลักษณะยินดียินร้ายแล้วก็มารน่าือความสื่อตัวแล้วก็พอเขายืนคร่อมเนี่ยบางทีตัวเองอาที่หิวแต่ว่าก็ยืนคร่อมตรงนี้ประตูให้อยู่อาจะต้องต่อว่าเขาเกิดโทสะหรือว่าไม่รับพิกษา ไม่รับอาหาร Force. ที่บุคคลยืนคร่อมสาให้ยืนคร่อมสาก็ไม่ได้นะคร่อมท่อนไม้ก็ไม่ได้คร่อม่รนีประตูก็ไม่ได้แล้วก็ไม่รับอาหารที่ของคนสองคนกำลังบริโภคอยู่ไม่รับอาหารของหญิงมีคันไม่รับอาหารของหญิงผู้กำลังให้ลูกดูดนมไม่รับอาหารของหญิงผู้คลอดเคลียบบุตรไม่รับ อาหารที่นัดแนะกันไว้ไม่รับอาหารที่ซึ่งสุนัขจะรับการเลี้ยงดูเราดูไปวุ่นวายเรื่องก็หมดเราจะเห็นว่าแต่ละวันเนี่ยพวกนี้จะใช้ชีวิตลำบากมากเพราะว่ามันไปครอบคลุมพฤติกรรมของมนุษย์เอาไว้ไม่รับอาหารในที่มแมลงวันตายตอมเป็นกลุ่มๆไม่กินปลาไม่กินเนื้อไม่ดื่มสุราไม่ดื่มเมรยัยไม่ดื่มยา ด, ดองไม่รับ อาหารที่เรือนหลังเดียวยังอัตรภาพด้วยข้าวคําเดียวบ้างแล้วก็รับอาหารที่เรือนสองหลังแล้วก็เลี้ยงชีวิตด้วยข้าวสองคบ้างคํคๆบ้างเนะี่ยก็แล้วแต่คือเราจะเห็นว่ายังไงยังไงเนี่ยอาหารขนาดนั้นก็ไม่สามารถที่จะพอพอต่อการเลี้ยงดูตัวเองได้หรือบางทีก็ เยียวยาเขาถือว่าเยียวยาร่างกายนะกหมายความว่าบำรุงรักษาร่างกายด้วยอาหารหนึ่งคำสองคำสามคํากคําเจ็ดคำอะไรตัวนี้แล้วก็กินอาหารด้วยด้วยถาดบ้างหรือว่ากินอาหารที่เก็บค้างไว้ในวันหนึ่งบ้างสองวันบ้างก็ว่าไปถึงบางทีเจ็ดวันเจวันก็บูดนะนะแล้วจะโาไปทรมารร่างกายไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมดา ประกอบด้วยความควนขวายในการบริโภคอาหารที่เวียนมาตั้งกึ่งเดือนเช่นนี้บ้างหมายความว่าเขาถวายอาหารแบบเรียกว่วาระนะแค่แค่แคแคเวน เ, เช่นสมมติว่ามีพระ ม, ม, มีนักบวชอยู่สิบคน เ, เขาก็ให้คนละวันก็ตกลงว่าแต่ละรูปเนี่ยมันจะได้รับอาหารในสิบวันในครั้งเึ่ก ทีนี้จะอยู่มากกว่านั้นอาจจะสิบกวาวันยี่ิบวันสามสิบวันอะไรเงี้ยแล้วในช่วงตรงนั้นก็ต้องทรมานร่างกายทรมานร่างกายต้องอดก็ต้องรออยู่แล้วก็ถือว่าการประเพลิอย่างนั้นแหละมันเป็นตบะทีนี้บางทีก็มีผักดองเป็นอาหารบ้างมีข้าวฟ่างเป็นอาหารมีลูกเดือยบ้างมีกากข้าวบ้างมียางเป็น อาหารบ้างมีสาหรายเป็นอาหารบ้างมีรำเป็นอาหารบ้างมีข้าวตม้มเป็นอาหารบ้างข้าวตังนะฮะข้าวตังเป็นอาหารบ้างแมีกัมยานเป็นอาหารมีหญ้าเป็นอาหารมีโคไหม่นะโคไม่ก็คืออุจะโคไายให ม, นะม่นะมันอินเดียนี่ยังแปลกอยู่ยนะทุกวันเนี่ยออุจลโคเนี่ยมันครังๆยังไงชอบกดช้บกดก็ใช้เจิมหน้น ch, er หาผากบ้างใช้สารพัดนาชาหลายๆเดือนแล้วก็ บางทีก็มีงาวของผลไม้เป็นอาหารบ้างบริโภคผลไม้หล่นบ้างหรือว่าไปนุ่งห่มด้วยผ้าผ้าป่านบ้างผ้าแกมกันบ้างผ้าห่อศพ บ, บ้างผ้าบางสกุลบ้างผ้าเปือกไม้บ้านหนังเสือบ้างหนังเสือทั้งเล็บบ้างและผ้าคากรองคือผ้าที่เขาไอกำพิธีก็คงไม่เด็ จเจริญก้าวหน้าไรนะเอาเปลือกไม้นะเอาเปลือกไม้มามากรองกันเดี๋ยวากรรมพลที่ทำด้วยขนสัตว์ผ้ากรรมพลที่ทำด้วยขนปีกนกข้าเป็นผู้ถอนผมแนะหนวดคือแทนที่จะโกนตาธรรมดาเนี่ยถอนทีละเส้นถอนทีละเส้นหัวมันก็เป็นหย่อมๆหย่มๆแล้วก็้วนขวายในการถอนผมถอนหนวดบ้างเป็นผู้ยืนถือเป็นการยืน หรือว่าไม่นั่งอันนี้ก็คล้ายๆกับในการทุดงนะคหมายความว่ายืนเป็นวัดหรือว่าใช้เิบฏสามเป็นวัดแนตะยืนเดินนั่งไม่นอนตัวนี้ก็ไม่ยอมนั่งอาัศานะเป็นผู้กระโยงคือประกอบความเพียรด้วยการกระโยงเดินกระโยงเหยียบพื้นไม่เต็มเท้าอะ่ะยืนเดินโดยปลายเท้าเดินในปลายเท้าเดินในใส้นเท้าเนี่ยหมยคเหยียบพื้นเตียบพื้นไม่เต็มเท้า แล้วก็นอนบนหนามเศ็ษการนอนบนหนามขวนขวายลงอาบน้ำวันละสามครั้งประกอบการขลนขวายในการย่างและการบ่มกายโดยแบบของอะไรล่ะพ่พวกชั ด, ดินต่างๆเนี่ยนะอันี้ก็เป็นวิธีก็เรียกว่าเป็นพรหมจรรย์ที่พทธเจ้าเองก็เคยผ่านเคยผ่า น, เ ค, านเคยทดลองเคยบำเพ็ญ ม, มา ในสมัยที่เป็นประโพธิสัตว์ยังไม่ได้จัดสรุทีประการหนึ่งก็แนวเศ้าหมองเศ้าหมองก็ทำอะไรล่ะเป็นวัดปฏิบัติที่สร้างมนทินขึ้นให้แก่ร่างกายเนี่ยพวกนี้ไม่อาบน้ำนะฮะไม่อาบนบางพวกแล้วไม่แปลงฟันด้วยนะมีควันเยินไม่แปลงวันมีแต่ขี้ฟันสกปรกมาแม่มันน่าเกลียด แต่ก็แปลกนะคนนับถือได้ดังนั้นมันเป็นเป็นเรื่องที่คนเนี่ยมันก็แปลกบีงกันนะคนจะทําอะไรเพี้ยนเพีย น, ย, นยังไงก็ตามมันมีคนกลุ่มหนึ่งก็ น, นับถือเขาแล้วก็ศรัทธาของเขาอย่างนั้นบอกว่าพระอาจารย์นี้เป็นวัดในความประพฤติเศามองของเรามณชินคือทุลีละองสังสมในกายเรานับร้อยปีไม่ใช่น้อยจนเป็นสะเกดแบบเหมือนตอตะโกมีทุลีละอองสังสมนับร้อยปีไม่ใช่น้อย จนเป็นสกเก็ดมนทินคือทุลีที่สั่งสมอยู่ในกายเกิดจนเกิดเป็นสกเก็ดก็เหมือนกันก็ลองนึกดูว่าเป็นปีๆเดือนๆปีๆนี่ยไม่อาบน้ำเลยแล้วก็เขาก็เชื่อถือว่านั่นคื อ, ค, อคือการประพฤติผูกมย์เป็นการทรับมานเป็นการแสดงถึงตบะธรรมแล้วยีจึงหนึ่งก็คือเป็นการเกลียดบาป ว่ามีสติก้าวไปข้างหน้ามีสติถอยกลับเป็นแม่แนวแนวพวกนี้เป็นแนวแบบาศาสนาเชนนะฮะเศาสนาเชนเนี่ยเขาถือว่าสรรพสิ่งนี่มีปราณไม่ว่าอะไรก็ อ, อีกกหินไดมีปราณหมดเลยวันจะเดินจะยืนจะนั่ ง, จ ะ, งจะนอนต้องระมัดระวังจะไปทําสัตว์ที่มีชีวิตให้ตายเพราะว่าปฏิบัติของท่านเนี่ยก็ค่อน ข, ข้างตลกตลกนะครับบางทีเช่น สมมตทิท่านจะดื่มน้ำเนี่ยท่านจะดื่มน้ำเฉพาะน้ำร้อนโดยให้เหผลว่าในน้ำเนี่ยมันมีสิ่งมีชีวิตอยู่คือถ้าดื่มน้ำเย็นแล้วก็จะเป็นการทำลายสิ่งมีชีวิตเพมันต้องต้มเสก่อนแล้วถามว่าใครต้มละ่ะท่านก็ต้มเองเนะเมื่อต้มเองก็แสดงว่าถ้าสิ่งมีปานมันมีอยู่จริงก็ตายหมาดเลถามว่าในแง่ของความเป็นจริงเนี่ยสิ่งมีชีวิตอาจมีอยู่ในน้ำไหมก็บอกว่ามันมี ถามพุทธนาว่าอย่างไรพุทธนาก็บอกให้กรองให้กรองซะก่อนคือถ้าเราไม่เห็นด้วยตาเนี่ยถือว่าเป็นตำรวจบาลีว่าอัปโผหาริกคือมีก็เหมือนกับไม่มีเราจะตัดสินสิ่งมีชีวิตด้วยการเห็นด้วยตาอ่าเช่นสมมติเรารับประทานยาถ่ายเนี่ยพระฉันยาถ่ายเนี่ยมังกรตัวเจอตัวประชญ์ตายบ้างแหละแต่เราไม่ได้เห็นเนี่ยเราเราเจตนาที่จะฉันยาถ่ายเฉยๆเราไม่เจตนาจะฆ่าใคร ถึงแม้แต่ เ, เดินไปตามถนนนนทามมันอาจจะเจอสัตว์ตายบ้างมีเหยื่อสัตว์ตายบ้างมันจะรู้ได้ไงแต่ไม่มีเจตนาบ า, างครั้งท่านจะมองไปที่ตัวเจตนาพวกนี้อาศัยมีสติเข้าวไปในที่จริงมันก็แนวแนวแน ว, แน ว, แนวจงกลมนะแนวจงตรมใล้ายๆกับเหยียดหนอย่างหนอเหยียบหนออะไรตไแต่ไรเนี่ยคล้ายๆอย่างนั้นแต่ว่าเจตนามันต่างกันหรือเจตนาของท่านเนี่ย โดยความเอ็นดูกลัวว่าสัตว์เนี่ยมันจะตายจนกระทั่งในหยดน้ำเนี่ยก็อย่าอย่าได้ล้างพลานสัตว์แต่ก็ยังไม่บอกนะฮะว่าความคิดของท่านอะไรก็เฉยๆเยอะเช่นพวกนิครนเนี่ยเขาจะปิดปิดปากปิดจมูกเอาผ้าปิดปากปิดจมูกไปลวเดินแล้วก็ถือไม้กวาดกวาดไปข้างหน้า ถามทำไมต้องปิดปากปิดจมูกบอกว่ากลัวสิ่งมีชีวิตจะเขา้าปากและจะทําให้ตายจะเป็นบาปเพราะว่าสงสารสัตว์ก็เลยต้องปิดแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยท่านก็เอาไม้ก ว, วาดไปข้างหน้าถามาว่ากวาดทำไมก็กลัวสัตว์จะตายเห็นไหมว่าถ้าสัตว์มีจริงตรงนั้นเนี่ยตายตอนที่ท่านกวาดนนะั่นแะและพื้นที่ขอไม่กวาดเดี๋ยวมันกินมากกว่าพื้นที่เท้ามันเหยียบ มันตายมากกว่าเท้าเหยียบจะทำไปแต่ว่าเคยสังเกตว่าความเชื่อแนวนี้มันนันจะไม่ได้ใช้ความคิดจะไม่ใช้ความคิดว่าถ้าเป็นอย่างนั้นก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะเคยคุยกับพวกที่นับถือพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยแล้วเขาก็บอกว่าพระผู้เป็นเจ้าเนี่สร้างสรรพสิ่งเป็นสัพพัญญูคือรู้ทุกสิ่งแล้วก็เป็นรักสรรพสัตว์รักมนุษย์ ผู้เป็นบุตรของพระผู้เป็นเจ้าเมื่อกลายเป็นปนัญหาสันตีบอกว่าวมันขบกันนาคุณนะไอ้คำว่าเป็นศัพท์ปัญญากับเมตาตาก่อสปปรรพสัตว์และเป็นผู้สร้างสปปรรพสิ่งเนี่ยคือสามสามประโยคนี้มันจากตีกันเองแต่ว่าเขาไม่ได้เคยคิดเรา ก, ก็ตั้งปัญหาถามเขาถามว่าเอาแหละเมื่อพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยรักมนุษย์ ในฐานะนั้นที่เป็นผู้สร้างมนุษย์มาแล้วพอดีทั้งเกิดสร้างสปปรรพสิ่งก็แสดงว่าไม่มีอะไรที่พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้สร้างปัญหาว่าสิ่งที่มีปรากฏอยู่ในโลกนี่ส่วนดีก็เอาเถอะไม่ได้ว่ากันเต้ส่วนไม่ดีล่ะพวกเชื้อโรคพวกไวรัสทั้งหลายพวกโรคเอดสพวกยุงที่จะมากัดแล้วเป็นเชื้อมาเรียอะไรต่างๆในสารพัดในเชื้อโรคเนี่ย ตลอดถึงภูเขาไฟ ร, ระเบิดแผ่นดินถล่มทลายอะไรต่างๆทั้งหมดเนี่ยทําไมจึงสร้างมาด้วยก็ปฏิเสธไม่ได้นะเพราะพระเจ้าสร้างสรรพสิทธิ์ปฏิเสธว่าพระเจ้าไม่สร้างไม่ได้วันนั้นแกก็แกไม่ตอบประเด็นอื่นนะแกะตอบประเด็นเดียวคือประเด็นยุงบอกว่าถ้าพระเจ้าไม่สร้างยุงขึ้นมาหมอกม็อาจค้นพบเชื้อมาล เ, เรียได้ แล้วก็ถามว่าในก็แสดงว่ามาเรียเนี่มาจากยุงแกก็อธิบายเป็นคุ้งเป็นแหว่เลยพยาแพ้ย์เราก็ไม่ว่าอะไรเรากแต่เราก็สรุปถามว่าคุณเคยคิดหรือเปล่าว่าก่อนที่หมอจะค้นพบยา ก, กำกัดกาจัดมาเรียได้เนี่ยมนุษย์บุตรพระเจ้าที่พระเจ้าบอกว่ารักเนี่ยตายไปเท่าไหร่และก็แสดงว่าพระเจ้าไม่ได้กรุณาต่อสพรพสัตว์ เขาไปสร้างสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยต่อมนุษย์ไปมากมายไกลก่อแล้วสร้างแล้วก็ปล่อยเขาแก่เขาเจ็บเขาตายปิกนพิการอะไรแต่ไสารพัดทีนี้ถ้าหากว่าอ้างว่าไม่รู้สร้างไปโดยไม่รู้ก็แสดงพระเจ้าไม่ใจะสอบเันอยู่แต่แสดงว่ารู้แล้วยังสร้างก็แสดงว่าขาดเมตตาเองมันจะขบกันเองเี่ยพวกนี้ก็เหมือนกันนะฮะคือความคิดเขาี่จะขบกันเอง ในการบากักขอ ง, ท, งท่านเนี่ยท่านถือว่าทุกคนทุกแข่งมีปานท่านเองก็ไม่กล้าจะนุ่งผ้านะฮะกลัวจะทําลายสิ่งที่มีชีวิตเดินไปไหนก็ปิดปากปิดจมูกเสียกลัวสิ่งมีชีวิตจะเข้าไปแต่ในขณะเดียวกันท่านต้มน้ําเองซึ่งหมายความว่าถ้าสัตว์มีชีวิตอยู่มันก็ตายหมดแล้วก่อนที่จะดื่มเนะีะแล้วท่านก็กวาดเอาไม้กวาดกวาดไปข้างหน้าน มันก็แสดงว่าการกวาดไปข้างหน้านั้นมันทาใหสัตว์ตายก่อนที่จะเหยียบได้ซ้ำไปแนตวตรงนี้บาลีท่านเรียกว่าอิดาไม่ว่าสั์จังโมคะบรรยังอย่างนี้เท่านั้นถูกต้องอย่างอื่นไม่ถูกต้องหมายความว่าท่านท่านเอาท่านเป็นเกณฑ์เป็นตัวกำหนดเรื่องความถูกต้องแล้วก็ไม่ยอมคิดแล้วไปลุยไปข้างหน้าลูกเดียวเลย ก็ทำให้เป็นการรังเกียจ บ, บาปแล้วก็จะยืนจะเดินจะนั่งอะไรแต่ละลำบากเพราะกลัวจะเหยียบสัตว์ถึงถ้่เป็นอย่างนั้นนะอยู่ในย บ, บทใดก็ไม่ได้นะเพราะยาบททั้งหลายของคนเนี่ยมันกินพื้นที่แต่นั้นไม่ไปทับสัตว์หมดอ่ะให้จะเหยียบจะจะยืนจะนั่งจะนอนยิ่งนอนยิางแล้วยัยเลยกินพื้นที่เยอะ แต่ว่าก็ปฏิบัติกันอย่างนั้นทีนี้พระมารดาอิประการหนึ่งเนี่ยไปเรียกสงัดคืออยู่เงียบๆเลยไม่ไปยุ่งเกี่ยวอะไรไกลๆเข้าไปอยู่ในร่าทิศสถานที่ต่างๆนะเช่นอาศัยชายป่าแล้วก็พบคนเลี้ยงโครหรือคนเลี้ยงสัตว์คนหาบหญ้าหรือใครก็ตามก็จะหลบจะลบเข้าไปอยู่ลึกในป่าลึกๆอยู่ในป่าชัดอยู่ในที่ลุ่มอยู่ในที่ดอน ถามเพระเหอุใดเพราะคิดว่าคนเหล่านั้นอย่าได้เห็นเราคือหมายความว่าไปอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้แต่คนอย่าได้เห็นอย่าได้ยินนะตัวเองก็อยู่ในสถานที่ต่างๆนี่ถือว่าเป็นเป็นวัดปฏิบัติที่เขาเข้า <ๆ S 1> ใจกันมาทําให้สงัดนะแต่บางครั้งบางคราวเนี่ยผู้ปฏิบัติในแนวนี้อาจจะคลานเข้าไปในโคอโคที่โค อ, ออกไปแล้ว ไม่มีคนเลี้ยงอาจจะต้องไปกินอะไรอุจจาระโคเข้าไปฮะแล้วก็สิ่งปฏิกูลต่งตางๆในสถานที่นั้นก็ทรมานมากเป็นเป็นวัดปฏิบัติที่ทรมานตัวเองแต่บางทีก็อาศัยแนวป่าที่เงียบเงียปราศจากเสียงรบกวนซึ่งเราจะเห็นว่าแนวตรงนี้ถ้าหากว่ามันไปคิดว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเหตุเป็นเหตุแทนที่จะเป็นปัจจัยเสริม เพราะว่าการปฏิบัติของเราเองเราก็เข <mut> uh ้าไปที่สงัดเงียบเหมือนกันแต่ว่าอาศัยเป็นปัจจัยเสริมความสงัดมันจะเกิดที่จิตมันจะช่วยให้จิตเกิดสงัดเงียบขึ้นมาแต่ว่าการปฏิบัติในการทรมานร่างกายเหล่านี้ทั้งหมดนะฮะก็เยอะเหลือเกินมากมายกลากองแต่ละอย่างนั้นเป็นการสร้างความทุกข์แก่ตัวเอง แล้วก็ไม่สามารถจะทำใครให้เป็นอริยะได้นะไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาก็ปฏิบัติไปก็ในที่บางแข่งเนี่ยที่คนเขาหวาดกลัวไม่กล้าเข้าไปเนี่ยก็เข้าไปอยู่ในสถานที่นั้นจนเกิดความคิดขึ้นมาว่านักปราดผู้แสวงหาความหมดจดอาบแดดอาบน้ำค้างเป็นคนเปลือย ท้างไม่ได้พิงไฟอยู่คนเดียวในป่าน่ากลัวอย่างนี้แล้วก็มันข้ามมะขาวเข้าไปอยู่ในป่าช้าไปยิงกระ ส, กสะรักศพอะไรต่างๆหน้าหน้าติดเชื้อหน้าอะไรนะคือมันสะท้อนภาพของสังคมมนุษย์ได้เห็นว่ามนุษย์เราในสําคัญว่าเขาคิดยังไง เรื่องแต่เรื่องเนี่ยเขาคิดยังไงแล้วเขาก็จะปักใจวังใจอยู่อย่างนีน้ฟันบนความแตกต่างเนี่ยจะทำยังไงอย่าให้เกิดความแตกแยกถ้าเรามางมองเทียบเคียงทั้งหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยหนทางเป็นอันมากเนี่ยมรรควิธีเป็นอันมากี่ทรงแสดง มันดูเป็นความแตกต่างแต่ว่าจะไม่เกิดความแตกแยกเพราะว่าในที่สุดเนี่ยก็จะมีจุดบรรจบเรืกันแล้วก็ น, นี้พระเจ้ากระรับสั่งเล่ามารายละเอียดมากนะคือในพุทธวันพูดนิดเดียเองแต่ว่าไอการอาฟันกับฟันมากดการเอาลิ้นมาดันเพดานเนี่ยแต่เราต้ง ผลกันลมหายใจเข้าออกและอาุหารต่างๆที่เชื่อกันว่าเป็นเป็นตบะของผู้ภาพเพียนพยายามเนี่ยพระองค์ก็ได้ประพฤติปฏิบัติมาอย่างอย่างอุกฤษก็เรียกว่าเกือบเป็นเกือบตายแต่สรุปแล้วว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเป็นทุกขรกิริยาที่สร้างความลำบากให้แก่ผู้ปฏิบัติ แต่ไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาเพราะว่ากายจะกระสรับกระสายเมื่อกายกระสรับกระสายใจก็จะไม่สงบจึงทรงตำหนิในเรื่องเหล่านี้มาตั้งแต่ต้นแต่ว่าการปฏิบัติทั้งหมดเนี่ยก็เรื่อยคนทั้งหลายได้รู้ได้เห็นว่าไม่ใช่พูดเอาแต่ว่าได้ผ่านการพิสูจน์ทดสอบมาแล้วใล้ๆกัอาาบอาหารเนี่ยกับอาหารนี่อร่อย แต่เราไม่เคยชิมเลยแล้วเราบอกไม่อร่อยอีกเมื่อเกินไปะนะอย่างน้อยก็ต้องชิมซะหน่อยเพื่อรู้ว่ามันอร่อยหรือไม่อร่อยถ้าหลักการตรงนี้เราวโดยสรุปนะว่าอะไรก็ตามที่เราเป็นข่าวครา ว, าวได้ได้ยินได้ฟังถ้าจะถึงขั้นปฏิเสธหรือยืนยันเนี่ยมันต้องมีข้อมูลมากพอ แต่ถ้างฟังในในฐานะเป็นข้อมูลข่าวสารอย่างหนึ่งก็ไม่แปลกอะไรไม่ต่ำติดใจอะไรคือเราไม่สนใจว่าจริงหรือไม่จริงแล้วก็เป็นการพูดกันของคนกลุ่มหนึ่งก็จบกันเป็นหลักการสาคัญว่าอะไรก็ตามให้ใช้ปัญญาพิจารณาเทียบเคียงโดยรอบคอบสก่อนจะตําหนิจะยกย่องจะนับถือจะเชื่อหรือว่าจะไม่เชื่อถ้างฟังเท่าไหร่ แต่ลบประพธิญาณในวันนี้ข อ, อยุติไว้โดยเวลาเป็นธรรนี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงอ่งงามไผ่บูรในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายดูทั่วกันสวัสดี